สถิติกะวักหมวดว่าด้วยผู้รักษาอุโบสถอย่างเดียวหนึ่งเอคูโปสถิติกาเถริยาประธานประวัติในดิจจ่าของพระเอคูโปสถิกาเถรีพระเอคูโปสถิติกาเถรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิจจ่าของตนจึงกล่าวว่าในกรุงพันธุมดีมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่าพันธุมา ในวันเพ็ญเท้าเธอทรงอยู่จำอุโบสถสมัยนั้นมอมฉันได้เป็นนางคุมพระทาสีอยู่ในครูงพันธุมดีนั้นเห็นเสนาพร้อมทั้งพระราชาจึงคิดอย่างนี้ในครั้งนั้นว่าแม้พระราชาก็ยังทรงละราชกิจมาอยู่จำอุโบสถกรรมนั้นต้องมีผลแน่นอนหมู่ชนจึงพากันเบิกบานใจมอมฉันพิจารณาทุกติและความเป็นคนยากจนได้ โดยอุบายที่แยบคายทำจิตให้ร่าเริงแล้วอยู่จำอุโบสถม่อมฉันรักษาอุโบสถในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกรรมที่ม่อมฉันได้ทำไว้ดีแล้วนั้นม่อมฉันจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงวิมานที่บุญกรรมสร้างให้ม่อมฉันยังสวยงามในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นสูงขึ้นไปหนึ่งโยกประกอบด้วยเรือนยอดอันประเสริฐ มีที่นั่งมีค่ามากประดับอย่างสวยงามเทพอักษรหนึ่งแสนนางต่างก็อยู่ใกล้มอมฉันทุกเมื่อมอมฉันรุ่งเรืองเหนือกว่าเทพอักษรเหล่าอื่นในการทั้งโปรงมอมฉันได้เป็นพระมเหสีของท้าวเทวราชหิสพระองค์และได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจาักรพรรดหิามพระองค์มอมฉันมีผิวพรรณงามดังทองคาเวียนวหว้ตายเกิดอยู่ในภพทั้งหลาย ได้เป็นผู้ประเสริฐในทุกภพนี้เป็นผลแห่งการรักษาอุโบสถยางคือช้างยางคือมา้าและยางคือรถมอมฉันก็ได้รับมาครบถ้วนนี้เป็นผลแห่งการรักษาอุโบสถภาชนะทองภาชนะเงินภาชนะแก้วเปลือกและภาชนะแก้วทับทิมมอมฉันก็ได้รับมาครบถ้วนผ้าไหมผ้ากำพลผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายและผ้าที่มีราคาแพง ม่อมฉันก็ได้รับมาครบถ้วนข้าวน้ำของเคี้ยวผ้าและเสนาสนะม่อมฉันก็ได้รับมาครบถ้วนนี้เป็นผลแห่งการรักษาอุโบสถเครื่องหอมชนิดดีดอกไม้และจุนสำหรับรูปไลม่อมฉันก็ได้รับมาครบถ้วนนี้เป็นผลแห่งการรักษาอุโบสถเรือนยอดปราสาทมนดกเรือนโลนและถ้ําม่อมฉันก็ได้รับมาครบถ้วน นี้เป็นผลแห่งการรักษาอุโบสถมอมฉันอายุเจ็ดขวบก็ได้บวชเป็นบนรรพชิตยังไม่ถึงเกึื่อเดือนก็ได้บรรลุอรหัตผลกี่เลททั้งหลายมอมฉันก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงมอมฉันก็ถอนได้แล้วอาสวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกในกลับที่เก้าสบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปมอมฉันเนี่ยทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลย นี้เป็นผลแห่งการรักษาอุโบสถกิเลสทั้งหลายหม่อมฉันก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงหม่อมฉันก็ถอนได้แล้วหม่อมฉันตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่หม่อมฉันมาในสำนนกของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามหม่อมฉันได้บรรลุแล้วโดยลาดับ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8ปดและอภินยาหกหม่อมฉันก็ได้ทำไม่แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าพระเอกูโปโสดิกาภิกษุณีได้พาสิทขิ์าเหล่านี้ด้วยประกาศนี เอกูโปโสติกาเทรียประธานที่หนึ่งจบสสละปุพิกาเทรียประธานประวัติในดิตชาตของพระสละปุพิกาเทรีพระเจาสละปุพิกาเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นมอมฉันได้เกิดเป็นนางกินรีอาศัยอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำจันทภาคา หม่อมฉันได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงองค์อาของขวาเนรชนผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพเสด็จจงกลมอยู่หม่อมฉันได้เลือกเหยบดอกสนมาถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระมหาวีระทรงสุดดมกลิ่นดอกสนซึ่งมีกลิ่นหอมเหมืนกลิ่นทิพย์พระมหาวีระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพระนามว่าวิปัสสีทรงรับแล้ว ได้สุดกลิ่นในขณะที่หม่อมฉันยังมองดูอยู่นั่นเองหม่อมฉันประนมมือไหว้พระพุทธองค์ผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ทำจิตของตนให้เลื่อมใสแล้วจากนั้นจึงขึ้นเขาไปในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปหม่อมฉันได้ถวายดอกไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้ากิเลทั้งหลายหม่อมฉันก็เผาได้แล้ว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 คุณวิเศษเหล่านี้เคือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8ปและอภินยา 6, หกมอมฉันก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามอมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าพระเชละาปุพกาภิกษุณีได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการชนี้เชลาปุพกาเทริยาประธานที่สองจบสาม โมทกะทายิกาเทริยาประทานประวัติในดิตชาติของพระโมทกะทายิกาเทรีพระโมทกะทายิกาเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าหม่อมฉันได้เป็นนางกุมภทาสีอยู่ในกรุงพันทุมดีหม่อมฉันถือขนมต้มที่เป็นส่วนของหม่อมฉันไปยังท่าน้ำได้เห็นพระสมณะผู้มีจิตสงบมีใจตั้งมั่นที่หนทาง ก็เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีจึงได้ถวายขนมต้มสามาัดด้วยกรรมที่หมอมฉันได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นหมอมฉันจึงไม่ตกวินิบาตนารกเลยตลอดยี่สิบเกกลับหมอมฉันสร้างสมบัติไว้แล้วด้วเสวยสมบัติทุกอย่างหมอมฉันได้บรรลุบทที่ไม่หวั่นไหวเพราะถวายขนมต้มสามาัดกิเลสทั้งหลายหมอมฉันก็เผาได้แล้ว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 คุณวิเศษเหล่านี้เพอปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกม่อมฉันก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าม่อมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านโมทกะทายิกาพิษุณีได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการชนี้โมทกะทายิกาเถริยาประธานที่สามจบสี่ เอากาสนะทายกาเที ย, ยาปาทานประวัติในดิตชาของพระเอากาสนะทายกาเทรีพระเอกาสนะทายกาเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นหม่อมฉันได้เป็นหญิงร้อยพวงมาลัยอยู่ในกรุงหงสาวดีมารดาบิดาของหม่อมฉันไปทํางานหม่อมฉันได้เห็นพระสมณะกาลังเดินไปตามถนนในเวลาที่ยังวัน จึงได้ปูลาดอาสนะถวายครั้นปูลาดอาสนะด้วยผ้าโปรชาอันวิจิตเป็นต้นแล้วเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีกล่าวดังนี้ว่าผู้มิผ้าร้อนระอุเวลาที่ยงวันลมก็ไม่รําเพยพัดและเวลาก็จะล่วงเลยแล้วข้าแต่พระมหามุนีอาชนะนี้หม่อมฉันปูลาดไว้เพื่อพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดอนุเคราะห์ นั่งบนอาสนะของหม่อมฉันเถิดพระสมณะผู้ฝึกตนดีแล้วมีใจบริสุทธิ์ได้นั่งบนอาสนะนั้นหม่อมฉันรับบาตรของท่านแล้วได้ถวายบิณฑบาตตามที่ตนห่งต้มไว้ด้วยองกรรมที่หม่อมฉันได้ทําไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นหม่อมฉันละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงในสวรรค์ชั้นดาวดึงวิมานสูงหกสิบโยธ ว่างสามสิบโยธซึ่งบุญครามเนรมิตสร้างขึ้นอย่างสวยงามเพื่อหม่อมฉันเพราะการานปูลาดอาสนะบรรลังของหม่อมฉันมีหลายชนิดคือบรรลังทองคํบาบรรลังแก้วมณีบรรลังแก้วพลึกและบรรลังแก้วทับทิมบรรลังของหม่อมฉันปูลาดด้วยเครื่องลาดที่ยัดด้วยนุ่นด้วยเครื่องลาดอันวิจิตรด้วยรูปราชสีและเสือโครงเป็นต้นก็มีด้วยเครื่องลาดแก้ไหมประดับด้วยเพชรพลอยก็มี ด้วยเครื่องราดมีขนตั้งพื้นด้านเดียวก็มีมอมฉันเพียรพร้อมด้วยความร่าเริงสนุกสนานไปได้ตามที่มอมฉันปรารถนาพร้อมกับบพลังอันประเสริฐในคราวที่มอมฉันต้องการจะไปมอมฉันได้เป็นพระมเหสีของท้าวเทวราชแปดสิบพระองค์และได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิเจ็ดสิบพระองค์เมื่อมอมฉันยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ได้โพคสมบัติมากมาย มอมฉันไม่มีความบกพร่องด้วยภพกสมบัติเลยนี้เป็นผลแห่งการปูร่าดอาสนะที่เดียวถวายมอมฉันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสองภพคือหนึ่งภพเทวดาสองภบมนุษย์ภพอื่นมอมฉันไม่รู้จักเลยนี้เป็นผลแห่งการปูลาดอาสนะที่เดียวถวายมอมฉันเกิดเฉพาะในสองตระกูลคือหนึ่งตระกูลกษัตริย์สองตระกูลพราหมณ์ หม่อมฉันเกิดในตระกูลสูงทุกๆพบนี้เป็นผลแห่งการปูร่าดอาสนะที่เดียวถวายความโทมนัสที่ทําจิตของหม่อมฉันให้เร่าร้อนหม่อมฉันก็ไม่รู้จักความเป็นผู้มีผิวพันสามหม่อมฉันก็ไม่รู้จักนี้เป็นผลแห่งการปูร่าดอาสนะที่เดียวถวายพี่เลี้ยงนางนมหญิงข้อมและหญิงรับใช้จํานวนมากต่างก็ปรนิบัติหม่อมฉันหม่อมฉันถูกพี่เลี้ยงต่างผลักกันอุ้ม นี้เป็นผลแห่งการปูลาดอาสนะที่เดียวถวายพี่เลี้ยงพวกหนึ่งอาบน้ำให้หมอมฉันพวกหนึ่งคล้อยป้อนข้าวมอมฉันพวกหนึ่งประดับตกแต่งหมอมฉันพวกหนึ่งชวนหม่อมฉันให้รื่นรมทุกเวลาพวกหนึ่งรูปไร้ของหอมให้นี้เป็นผลแห่งการปูอาสนะที่เดียวถวายบัลลังก์ดังจะรู้ความดำฤทของหม่อมฉันผู้อยู่ที่มณฑบโขนไม้หรือที่เรือนว่าง ย่อมปรากดขึ้นภพนี้เป็นภพสุดท้ายของหม่อมฉันภพสุดท้ายกำลังเป็นไปอยู่แม้ในวันนี้หม่อมฉันกรสละราชสมบัติออกบวชเป็นบรรพชิตในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปหม่อมฉันได้ถวายทานไวในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการปูอานะที่เดียวถวายกิเลสทั้งหลายหม่อมฉันก็เผาได้แล้ว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 คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกษ์แปดและอภินยาหกมอมฉันก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามอมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าพระเอกาชนะทายคราภิกษุณีได้พาสุขถาเหล่านี้ด้วยประการาช น, นี้เอกาชนะทายคราเถริยาประทานที่สี่จบห้า ปัญจทีปะทายิกาเทริยาประทานประวัติในดิชาติของพระปัญจทีปะทายิกาเทรีพระปัญจทีปะทายิกาเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นมอมฉันเป็นผู้ประพฤติธรรมอยู่ในกรุงหงสวดีมีความต้องการกุศลจึงท่องเที่ยวไปตามวัดวาอารามได้เห็นต้นโพธิ์ที่ประเสริฐในกาละปักข้างแรม จึงทำจิตให้เลื่อมใสในต้นโพนั้นแล้วนั่งที่โคนต้นโพมอมฉันตั้งจิตคารวะประนมมือเหนือศีรษะประกาศถึงความสมนัตแล้วคิดอย่างนี้ในขณะนั้นว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณหาประมาณมิได้ไม่มีบุคคลเปรียบเสมอเหมือนโปรดแสดงปฏิหารแก่เราเถิดคือขอให้ต้นโพนี้จงเปล่งรัศมีเถิดทันใดนั้นพร้อมขับที่มอมฉันรำพึง ต้นโพมีรัศมีดังทองคำล้วนโช่อช่วงสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศมอมฉันนั่งอยู่ที่โคนต้นโพนั้นตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวันเมื่อถึงวันที่เจ็ดมอมฉันได้ทำการบูชาด้วยประทีปประทีป5้าดวงโช่อช่วงล้อมรอบอาสนะครั้งนั้นประทีปของมอมฉันโช่อช่วงอยู่จนอาทิตย์อุทยัยด้วยกรรมที่มอมฉันได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่น มอมฉันละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงวิมานที่บุญกล่ำสร้างขึ้นอย่างสวยงามเพื่อมอมฉันในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นเรียกว่าปัญจทีปวิมานสูงหกสิโยต์กว้างสามสิบโยน์ประทีปนักไม่ท่วนส่องสว่างล้อมรอบมอมฉันอยู่ทั่วทั้งเทววิมานโช่ช่วงด้วยแสงประทีปมอมฉันนั่งหันหน้าไปทางทิปุรภา ถ้าปรารถนาจะดูก็จะเห็นได้ทุกอย่างด้วยจักสุทั้งในเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางมอมฉันปรารถนาจะเห็นกรรมดีและกรรมชั่วที่คนทำแล้วในที่มีประมาณเท่าใดที่มีประมาณเท่านั้นย่อมไม่มีต้นไม้หรือภูเขามากลางกลั้นได้มอมฉันได้เป็นพระมเหสีของท้าวเทวราชแปสิบพระองค์และได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจากักรพรรดิร้อยพระองค์ มอมฉันเกิดในกำเนิดใดๆคือจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นๆประทีปนับแสนดวงส่องแสงล้อมรอบมอมฉันมอมฉันจุติจากเทวโลกแล้วเกิดในคารมารดาเมื่อหมอมฉันอยู่ในคานมารดาในตาของมอมฉันไม่ได้หลับประทีปนับแสนดวงส่งแสงสว่างอยู่ที่เรือนคลอของมอมฉันผู้เพียพร้อมด้วยบุญกรรม นี้เป็นผลแห่งประที่ห้าดวงเมื่อถึงพบสุดท้ายหมอมชันกลับใจให้วิเศษจึงเห็นพระนิพพานอันเป็นสภาวะเยือกเย็นไม่มีชาราและมรณะพอหมอมชันอายุได้เจ็ดขวบก็ได้บรรลุอรหัตผลพระพุทธเจ้าจึงให้หมอมฉันอุปสมบทนี้เป็นผลแห่งประที่ห้าดวงประที่ลุกโพลงส่องสว่างให้หมอมฉันผู้อยู่ที่มนดก โพนไม้หรือที่เรือนว่างทุกเมือ่อนี้เป็นผลแห่งประที่ห้าดวงที่ปัจักสุของมอมฉันบริสุทธิ์ม่อมฉันฉลาดในสมาธิถึงความสำเร็จอภิญญานี้เป็นผลแห่งประที่ห้าดวงมอมฉันเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์ทั้งปวงทากิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะข้าแต่พระมหาวีระผู้มีพระจักสุมอมฉันชื่อว่าปัญจทีปา ขอกราบพระยุคลบาทของพระองค์ในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกับนี้ไปมอมฉันได้ถวายทานไวในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งประที่ห้าดวงกิเลสทั้งหลายมอมฉันก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงมอมฉันก็ถอนได้แล้วมอมฉันตักกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาศวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าพระปัญจทีปาทายกาภิกษุณีได้พาศิกขาเหล่านี้ด้วยประการฉนิปัญจทีปาทายกาเทริยาประธานที่ห้าจบ